ก็ความในมหาปรินิพานสูตรข้อ117หน้า296นะซึ่งเป็นระหว่างทางพุทธดำเนินของพระพุทธเจ้าเพื่อไปปรินิพานนนะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณโพคานะครตามพระตามความพอพระทัยแล้วคือตามคำว่าตามพอพระทัยหมายาว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะคู่ควรกับการตรัสรู้ หรือเมื่อพระองค์ประทับอยู่ตรงนั้นแล้วพระองค์เกื้อกูลนะอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้แค่ไหนตามสมควรในฐานะที่เหมาะสมพระองค์ก็ตรัสกับท่านพระอนุนว่ามาเถิดอนนุนเราจะไปยังปาวานครท่านพระอนุนก็ทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสองหมูใหญ่เสด็จถึงปาวานครแล้ว ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณออัมพวันของนายจุนทะกรัรมมารบุตรในเมืองปาวานั้นท่านนายจุนทะกัมมารบุตรนั้นเป็นบุตรของนายช่างทองผู้มั่งคั่งแล้วก็เป็นพระโสดาบันเห็นเป็นพระโสดาบันมานานแล้วนายจุนทะกัมมารบุตรเนี่ยนะคือนายจุนทะลูกของนายช่างทองหรือว่าเป็นพ่อค้าทองเนี่ยนะได้สดับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จมาถึงเมืองปาวาประทับอยู่ณอัมพวันของเราในเมืองปาวาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงว่าออกไปต้อนรับอะนะก็สมัยใหม่ที่เราเรียกว่าไปรับแขกหรือไปต้อนรับเป็นการต้อนรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงยังนายจุนทักกรรมมารบุตรผู้นั่งเรียบร้อยแล้วก็ให้เห็นแจ้งคำว่าเห็นแจ้งก็คือสอนให้เขาเข้าใจเลยว่าอะไรเป็นอะไรหมายถึงการประกาศอริยสัจนั่นเองโดยเฉพาะเห็นแจ้งว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรดีอะไรชั่วอะไรเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความพ้นทุกข์ เมื่อเมื่อเขาเข้าใจแล้วเขาก็สมาทานถือเอาแต่สิ่งที่เป็นกุศลสมาทานถือเอาแต่สิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในกุศลธรรมทั้งหลายโดยจิตใจที่อาถรรพ์รื่นเริงเพราะธรรมีกถาของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเนื่องจากว่าพระองค์นั้นสํารวจตรวจสอบ เ, อเข้าใจในอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างดี เมื่อพระองค์สำรวจตรวจสอบเข้าใจอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างดีเนี่ยพระองค์รู้ว่าพระองค์ตรัสพระพุทธพจน์เหล่าใดเนื้อหาเหล่าใดที่จะเป็นไปเพื่อการปฏิบัติซึ่งเขาเองสมาธานถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เขาพระองค์ก็จะแสดงพระธรรมทั้งหลายหเหล่านั้น ลำดับนั้นนายจุนท่กรรมมารบุตรอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้รื่นเริ ง, รงด้วยทำมีกถาแล้วนายจุนท่าก็กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัดของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้เถิดก็นิมนต์นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านนั พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับด้วยดุสเนียภาพนะนะพระองค์ก็รับแบบเรียกว่ารับโดยนิ่งนะนะหรือว่านิ่งรับคือนิ่งบางอย่างนิ่งปฏิเสธนิ่งบางอย่างนี่นิ่งรับนะอย่างเช่นสมมุติถ้าเขามาปรึกษาปัญหาเหล่าใดแล้วก็นิ่งใช้ก็แปลว่าไม่รับรู้ไม่สนใจไม่รับทราบแต่ถ้าบอกว่าชักชวนหรือเหมือนเหมือนกับการชักชวนกับการขอร้องการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนิ่งอยู่บางทีก็แปลว่ารับนะนะ วันนิ่งนี่ต้องดูว่านิ่งปฏิเสธหรือนิ่งรับนีนิ่งสนใจหรือนิ่งไม่สนใจนิ่งเพื่อที่จ ะ, ะมีผลอย่างไรก็สังเกตอาการนิ่งถ้านิ่งแล้วสับประหกบ้างนี่ก็อย่าไปเชื่อมากนักอาจจะคิดคนละเรื่องอยู่ก็ได้ยังไงลําดับนั้นนายจุนทกกรรมระบดทราบการรับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็คือเขาเข้าใจเลยว่านิ่งของพระพุทธเจ้าแปลว่าพระองค์รับกิจนิมนต์ก็ จริงๆคำว่ากิจ เ, เนี่ยนิมนเนี่ยนิมนเนี่ยครับแปล ว, ว่าเชื่อเชิญกิจเนี่ยมันไม่ใช่พุทธกิจทั้งห้าคําว่ากิจนิมน์เป็นภาษาสมัยใหม่ที่ใช้มาเหมือนกับว่าเป็นภาคบังคับแต่จริงๆแล้วในธรรมวินัย น, นั้นการรับไม่ใช่ภาคบังคับกิจนี่แปลว่าหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องปฏิบัติไอ้คำว่ารับกิจนิมนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นาาคําสั่งเป็นภาคบังคับว่าถ้าเขาเชิญเราต้องรับจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่จําเป็น นะตามอัธยาศัยของผู้รับว่าผู้รับเขาจะรับหรือไม่เหมือนกับเราชักชวนใครไปไปเจริญกุศลที่ไหนไม่ได้แปลว่าไอคนที่ถูกชักชวนต้องปฏิบัติตามคําชักชวนของเราชันใดก็ดีการที่ยอมไปนิมนต์พระทั้งหลายก็เหมือนกันไม่ได้แปลว่าพระจะต้องตามใจเราไปหมดไม่ใช่ก็หมายคขาว่าก็ท่านดูเหตุผล ห, หลายๆประการรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่ไม่รับ เพราะมันก็เป็นเหตุผลของท่านแต่ไม่ใช่ว่าแหมนี่เป็นกิจของท่านจะไปขัดโยมได้ยังไงอะไรได้ยังไงโยมไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านจะต้องไปโอ่ตามทั้งหมดไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นบางเนี่ยนะท่านก็โยมเองก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าโอ้ไปขอร้องพระแล้วพระต้องมาปฏิบัติตามพระไม่ใช่เป็นทาตุของเราเนีย่ยนะพระภิกษุทั้งหลายไม่ใช่ทาตของเราดังนั้นเวลาเรานี่มนตท่านเราก็ต้องดูไม่ใช่ว่าท่านจะต้องเอาใจเราทุกอย่างอะไรทุกประการไม่ใช่ เนี่ยนะท่านก็มีกิจของท่านกิจของท่านคือการบําเพ็ญศิกขาสามที่นี้เราอยากจะเจริญกุศลกับท่านก็มาค่อยหาเวลาหาโอกาสและก็หาจังหวะมันเป็นไปได้ไหมได้ไหมอะไรไหมไม่ใช่นิมนต์ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าพยาบาทผูกเวรกับพระเลยแบบนั้นขนาดพระยังผูกเวรด้วยนะก็ดีแล้วละห่างๆไว้หน่อยดีเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ไปนี่หรอกเขาก็ดูเหตุดูผลแต่ไม่ใช่ว่ากลายไปก็เอาไปเอามาสมัยใหม่เขาเข้าใจว่า พระนั้นต้องรับกิจนิมนต์เนี่ยนะกลายเป็นกิจของท่านไปเพราะนั้นไม่มีหรอกกิจมันมีแค่กิจในการเจริญสิกขาสามเท่านั้นแหละหรือทุรก็มีสองคันทธทุระกับวิปัสนาทุระส่วนเรื่องปัจจัยสี่เป็นการดํารงชีวิตส่วนในการการที่ท่านปฏิบัติในคันทธทุระคือเรียกวิปัสนาทุระอันนั้นแหละคือเรียกว่าท่านบําเพ็ญกิจในพระพุทธศาสนาแลว้วเนี่ยนะมันถ้าหากว่าเราถ้าสมมติว่าถ้าท่าน ตามใจเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่ไปทุกเรื่องก็กลายเป็นว่ากิจคือขั้นกา ร, การสแสวงหาปัจจัยสี่นั้นใครให้ปัจจัยสี่ท่านต้องรับทั้งหมดมันได้แปลว่าอย่างนั้นพันธะเพียงพอแล้วท่านก็ไม่เอาอีกแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นนั้นพระพิสุท์ทั้งหลายตอนหลังก็เลยกลายเป็นเข้าใจผิดไปกลายเป็นว่ายอมนิมนต์ปั๊บเนี่ยเป็นกิจแล้วนะมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องรับนะไอ้หน้าที่ของเราก็คือโน่เนะี่ยปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นไปตามคำสอนหนึ่งเขาประสงค์จะทําบุญนะหรือเราเองเนี่ยเป็นนาบุญให้เขาได้ไหมเราพร้อมไหมรับได้ไหมอะไรไหมก็ต้องดูองค์ประกอบด้านอื่นๆอีกนี่ก็ลักษณะเดียวกันน่ยนะซึ่งพระผู้มีพระพระนายจุนทาก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปที่ประทับเนี่ยนะบางสูตรพระองค์ก็ไม่ได้แปลว่าพระองค์รับทุกสูตรนะทุกเรื่องไม่ใช่ว่าพระองค์รับหมดบางทีพระองค์ก็ไม่รับเนี่ยนะบอกว่าพระองค์มีมีธุระมีกิจอะไรของพระองค์ก็ไป หลังจากที่นายจุนทกกรรมรบุตรเนี่ยลุกไปแล้วก็สั่งให้ใหตระเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีตและสุขระมัทวะเป็นอันมากในนิเวศของตนแปลว่าแสดงว่าทำอาหารอยู่ดึกดื่นเลยนะบางทีเนี่ยผู้ที่จะทำอาหารเลี้ยงพระเนี่ยบางทีทำจนดึกจนดื่นเพราะพระหลายพันรูปเนี่ยนะโดยเฉพาะก่อนปรินิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนเนี่ย พระพิสุติดตามไปเป็นแสนรูปเนี่ยนะไปเป็นแสนรูปจริงๆเยอะมากมันก็คนที่จะเตรียมอาหารเลี้ยงพระช่วงปรินิพพานเนี่ยจะต้องเป็นมหาเศรษฐีจริงๆแหละหนึ่งอย่างที่สองก็คือว่าเป็นคนที่มีศรัทธามากจริงๆเลยแหละจึงจะเลี้ยงพระพิสุทสงฆ์จํานวนมากขนาดนั้นเนี่ยนะมันก็ต้องคนมีบุญนะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีศรัทธาจริงๆเนี่ยเขาฟังว่าโอ้นี่เป็นลาบอันประเสริฐของเราแล้ว ที่เราเป็นบุญของเราแล้วไปหาโอกาสอย่างนี้ที่ไหนอย่างกรณีนายจุนทะก็เหมือนกันเขาถือว่าเป็นลาบของเขาที่เขาจะได้ทำบุญเนี่ยนะโอกาสที่จะทำบุญในลักษณะนี้หาได้ยากที่ยากหนึ่งจริงๆ ก, ก็ยากนะว่าพระพุทธเจ้าก็จะปรินิพานอยู่แล้วพระพิสุสงโดยเฉพาะพระเรียเจ้าทั้งหลายที่จะมารวมกันอย่างนี้ถ้าคนไม่ดีระดับหนึ่งถามว่าจะห้อมล้อมพระพุทธเจ้าไห เป็นต้นเขาก็ถือว่าได้นาบุญที่หาได้ยากในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะก็ถือว่าโอกาสที่จะทําบุญเจริญบุญอย่างเต็มที่บุญเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สันโดษในในตัวบุญเลยเนี่ยนะเพราะนั้ น, ะนบุญเหล่าใดที่ทําได้ทําไปเถอะเนี่ยนะโอกาสบุญตัวใดที่จะทําได้ก็ควรเรียกทำแต่โดยเฉพาะบุญที่เป็นเหตุใกล้ต่อสติและปัญญา น, นะบุญเนี่ยนะไอ้คำว่าบุญเนี่ยมันมีหลายประเภทบุญที่เจริญแล้วทำให้ห่างไกลาจากสติปัญญาก็มีบุญบางอย่างที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อให้เจริญด้วยสติและปัญญาคือบุญเหล่าใดที่ต่อด้วยคือทานไอ้คว่าบุญเมื่อกี้นีแ่แปลว่าทานการให้ทานเหล่าใดที่ใกล้ต่อศีลสมาธิปัญญาใกล้ต่อสมถะและวิปัสสนาทานเหล่านั้นะเป็นทางที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ แต่ทานบางทานเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าได้ทานอาจจะเสียศีลเป็นต้นอันนี้เราต้องระวังเพราะว่าการทําบุญเจริญกุศลที่ดีและถูกต้องต้องเป็นไปเพื่อหมายความว่าทานนี่เป็นเบื้องต้นเชื่อมไปหาศีลภาวนาโดยเฉพาะภาวนาการประพฤติปฏิบัติเจริญกุศลธรรมเพื่อแทงตลอดโลกุตระธรรมเขามองล่างเพื่อหมายความว่ามองขั้นต้นเพื่อขั้นกลางและขั้น ปลายพันคนที่ให้ทานเนี่ยจะต้องเล็งถึงประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าโดยเฉพาะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งถึงวันนี้ยังไม่ถึงพรุ่งนี้ยังไม่ถึงชาตินี้ยังไม่ถึงหรือชาติหน้าอาจจะยังไม่ถึงแต่ก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่อย่างนั้นก็เป้าหมายที่เลื่อนลอยก็ <S <S บอกว่าธาตุแบบอะไรนะเข็มทิศเนี่ยนะถ้าปลายมันลอ ย, ลอยแล้วนะทำไมเขาว่าปลายเข็มเนี่ยมันเลื่อนลอยเนี่ย มันไม่ค่อยแน่นอนมันสั่นเนี่ยปลายเข็มทิศมันสั่นแน่อย่อกว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นที่ไหนสมมติถ้าเข็มทิศเนี่ยนะถ้าชี้ยิ่งไกลเท่าไหร่ถ้าสั่นเท่าไหร่นะยิ่งขาดความชัดเจนเท่านั้นมันอาจจะผิดไปสักห้าร้อยกิโลก็ได้เนี่ยนะสมมติว่ากราบถ้าอย่างสมมติว่าภาษาช่างเนี่ยถ้าเขาตั้ ง, งเสาเนี่ยที่โคนมันเอียงแค่หนึ่งเซนถ้าตึกสูงๆเนี่ยอาจจะห่างกันเป็นคืบก็ได้เป็นศอกก็ได้เนี่ยนะ ปลายอะมันจะแหมมันจะอ้าไปเป็นศอกเลยก็ได้เพราะถ้าโคนมันเอียงนิดเดียวเนี่ยเพราะถ้าโคนเอียงปั๊บปลายมันจะเอียงไปด้วยฉันใดการเจริญกุศลธรรมของเราทั้งหลายก็เหมือนกันงนั้นต้องพยายามตั้งเป้าให้มันชัดเจนตั้งอย่าเอียงมากถ้าเอียงเมื่อไหร่เราเดือดร้อนเนี่ยนะถ้าหากว่าแต่คําว่าเอียงนี่ไม่ได้แปลว่าพลิกแพ้งไม่เป็นนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายคำว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ผิดพลาดอัะนนเราก็จะกลายอาจจะเป็นว่าบุญให้ผลกลายเป็นว่าพ่อค้าสัตว์ นักฆาสัตว์รายใหญ่ก็ได้นักคือสามารถที่ผลบุญมันเป็นใกล้ต่ออกุศลได้มันเราก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าทาบุญแล้วต้องระยะยาวต้องไม่ใกล้กับบาปและอกุศลเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยผลบุญมันให้ผลเราก็จะไปใกล้กับบาปและอกุศลกลายเป็นว่าหมกมุ่นกับอกุศลบุญที่ทาไปแล้วนี่ก็เรียกว่าไม่มีโอกาสที่จะให้ผลเพราะไปประโยควิบัติเนี่ยนะบุญบางอย่างถ้ามันให้ผลแล้วเป็นเหตุใกล้ให้ ประโยค้วิบัติพฤติกรรมที่วิบัตินั้นประโยค่ที่วิบัติด้วยทิฐิวิบัติด้วยก็เวียนกลับไปสู่อบายเป็นต้นอันเราต้องพยายามกําหนดทิศทางให้ชัดเจนว่าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งก็ต้องมองให้ไกลเอาไว้อย่างเฉพาะนายจุนทะเนี่ยกลุ่มนี้ทําบุญเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะประโยชน์โลกหน้ายังไงเขาก็ได้แน่นอนเข้าเป็นพระโสดาบันมีเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ําเป็นธรรมดา เป็นผู้ที่ประชุมอาริยมรรคแล้วเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ที่จะได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตคั้นเขาเจริญบุญกุศลเนี่ยนะเขาทําด้วยจิตใจที่ปลื้มปีติอย่าลืมบอกโอ้โมแต่ให้ทานอย่างนี้จะได้เอาเวลาที่ไหนมาปฏิบัติเนี่ยนะเขาจะไม่เข้าใจผิดแบบนั้นเพราะการให้ทานเนี่ยนะก็เพื่อการฟังธรรมและขณะให้ทานเสร็จก็ฟังธรรมเป็นต้นนั้นเขาเจริญได้ทั้งศีลสมาธิและปัญญาเขาเจริญได้ทั้งทานศีลและ ภาวนามีการให้ถามเพราะเขาไม่เข้าใจผิดในคําสอนเมื่อเขาไม่เข้าใจผิดในคําสอนเขาจะไม่เออทำเรื่องนี้มันไปเสียเวลาเรื่องนั้นทําเรื่องนั้นมันไปทําไปเสียเวลาเรื่องโน้นไม่เนี่ยจะไม่เป็นเลยเขาจะได้เครวัตบัณฑิต ท, ทั้งหลายจะได้ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเป็นไปพร้อมๆกันในการกระทำหนึ่งครั้งเพราะว่าบุคคลเหล่านี้กล้วนแต่เป็นคนฉลาดที่ผ่านการคํานวณมาแล้วทีนี้ถามว่าถ้าไม่ฉลาดไม่เป็นอย่างนั้น ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าอยู่ใกล้บัณฑิตและบัณฑิตเขาแนะห้อย่างโดยเฉพาะอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นต้นอย่านันอยู่ใกล้กับพระสาวกทั้งหลายผู้มีปัญญาเขาก็จะชี้แนะให้ปัญหาว่าเราฟังเขาอยู่หรือเปล่าแค่ น, นั้นอ่ะถ้าเราฟังเขาอยู่เนี่ยเขาจะคอยบอกเราตลอดอผู้ที่เป็นบัณฑิตนั้นจะไม่มีทําลายประโยชน์ของคนอื่น บัณฑิตที่แท้จริงนั้นก็จะช่วยเพิ่มประโยชน์ให้คนอื่นเหล่านั้นได้อย่างไรคนอ่าคนที่เขาไปเกี่ยวข้องได้กําลังได้รับประโยชน์เล็กน้อยเขาจะไปเพิ่มประโยชน์ให้มันมากขึ้นได้อย่างไรทําในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทํำยังไงให้มันมีประโยชน์นัลักษณะวิสัยของบัณฑิตทั้งหลายเขาจะเข้าไปแก้ไขนะเข้าไปเรียกว่าเป็นคนที่หยิบยื่นประโยชน์ เหล่านั้นไปให้หมดเพราะนั้นอะไรที่เป็นไปเพื่อความเสียหายเขาจะป้องกันอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เขาจะส่งเสริมเนี่ยนะและถ้าตรงไหนมันมีผิดมีพลาดเขาจะแก้ให้เพราะนั้นบัณฑิตทั้งหลายนั้นเขาบอกว่าเมื่อก็อบอุ่นเพราะอะไรเพราะว่าจะคอยป้องกันในยามใดที่ควรจะมีภัยเขาป้องกันภัยให้เราเสร็จแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเขาเขาไม่เห็นแก่ตัวแบบภาษาชาวบ้านเด็ดขาดเนี่ยนะแต่เขาเห็นแก่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลาย นะเพราะว่าเพราะคนที่เป็นบัณฑิตรู้อยู่แล้วว่าประโยชน์ของตอนนั้นทําเพื่ออะไรและได้อะไรและโดยมากบัณฑิตก็ได้ประโยชน์อย่างที่ตัวเองต้องการแล้วจึงพยายามที่จะชี้แนะและก็แนะแนวให้ผู้อื่นได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะได้ประโยชน์นั้นบุคคลที่เจริญกุศลโดยเฉพาะมุ่งหน้าไปหาพระรัตนะตรายนั้นหวังได้แต่ความเจริญโดยส่วนเดียวและก็จะไม่เป็นการเสียเวลาในการเจริญกุศลธรรมก็ไม่เสียเวลาในการ ปฏิบัติธรรมไม่อย่างนั้นทําอันนี้แล้วเร่งรีบไปทําอันโน้นทำอันโน้ น, โนก็ยังไม่เสร็จก็เร่งแล้วชีวิตก็กลายเป็นรีบรีบเสร็จแล้วก็ไม่เสร็จสักสิน้นชักอันหนึ่งเนี่ยนะนั้นการศึกษาคําสอนเนี่ยต้องพยายามกําหนดให้ดีหลังที่กล่าวไปบ้างเมื่อเช้าเนี่ยว่าเป้าหมายต้องต้องชัดเจนเนี่ยนะไม่งั้นเดี๋ยวเออให้ทานเสียเวลารักษาศีลให้อ่ารำมัวแต่รักษาศีลเสียเวลาฟังธรรมมัวฟังธรรมอกีกโอ้ยไม่ได้ให้ทานอีกแล้วอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเออมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนว่าทำ ทำซ้ายลืมขวาทำหน้าลืมหลังอะนะก็อยู่อย่างนั้นแหละ